เขียนให้คนเป็นเทวดาตอนวิธีเขียนเรื่องยากให้อ่านง่ายโดยดังตรินแม้คุณจะเขียนเนื้อหาที่สามารถเอาไปใช้ได้จริงแต่ถ้าสำนวนอ่านยากต้องพยายามตีความสองสารอบจึงเข้าใจอย่างรายงานเขียนของคุณก็จะเป็นแค่อักษรบนหน้ากระดาษที่ไม่มีใครรู้ว่าจะเอาไปใช้ได้ท่าไหนถ้าคุณทําเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายได้คุณจะเป็นประตูเข้าเมืองให้คนอื่น แต่ถ้าแค่เรื่องง่ายคุณยังทำให้เป็นเรื่องยากแล้วล่ะก็คุณจะเป็นกาแพงขวางเมืองสำหรับใครต่อใครโดยไม่รู้ตัวการทำเรื่องยากให้ง่ายนั้นเป็นงานหินที่ต้องการคุณสมบัติหลายข้อนับแต่การมีความรู้อย่างลึกซึ <iber> ้งครอบคลุมตลอดสายการมีความฉลาดตั mm <fiction> ้งประเด็นให้กระทบใจไปจนกระทั่งการมีศิลปะเลือกคาให้สื่อความหมายได้เห็นภาพสรุปคือ การจะทำให้คนรู้สึกว่างานเขียนของคุณอ่านง่ายคุณต้องจำหลักการสําคัญไว้สามข้อคือ 1. เขียนออกมาจากมุมมองของคนที่เห็นครอบคลุมเหมือนคุณรู้จักแผนที่ทั้งหมดก็ย่อมอ่านออกว่าควรใช้เส้นทางสายใดควรเลี่ยงซอยย่อยไหนจึงจะเข้าสู่เป้าหมายทำให้คนอ่านได้สิ่งที่ต้องการเร็วที่สุดรัดที่สุด เหมาะสมกับประสบการณ์ของเขาที่สุดและเพื่อที่คุณจะเห็นได้ครอบคลุมไม่มีอะไรดีไปกว่าการศึกษาหาความรู้ทั้งภาทฤษฎีและปฏิบัติคนเราจะเห็นสิ่งใดได้ครอบคลุมก็ต้องเอาทั้งชีวิตของตัวเองทุ่มให้กับสิ่งนั้นนานพอ 2. กระตุ้นให้เกิดความสงสัยใครรู้ คือรู้จักตั้งโจทย์ให้กลายเป็นข้อสงสัยใครอยากรู้อยากเห็นในใจคนอ่านชนิดที่เขาอยากเอาคำตอบให้ได้เดี๋ยวนั้นใจที่ใครรู้ของคนอ่านจะช่วยย่อยของยากให้ง่ายลงได้ตั้งแต่ต้นทางแล้วและเพื่อที่คุณจะตั้งโจทย์ได้เก่งระหว่างศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติก็ต้องหัดสังเกตว่าคำถามใดเกิดขึ้นบ่อยทั้งในใจคุณเองและในใจคนอื่น 3ฝึกอธิบายให้เห็นภาพคือการเลือกคำและผูกประโยคได้ชัดเจนจนก่อให้เกิดมโนภาพขณะอ่านอย่างแจ่มแจง้งกล่าวได้ว่าใจที่เห็นภาพได้คือใจที่สัมผัสคำตอบอย่างแท้จริงและเพื่อที่คุณจะเลือกคำและผูกประโยคได้ชัดเจนก่อนอื่นต้องรู้จักสังเกตว่าคำอธิบายแบบไหนก่อให้เกิดจินตภาพชัดในใจคุณเป็นอันดับแรก ถ้าก่อนเขียนคุณมีมโนภาพชัดคุณก็จะเขียนได้ตามภาพที่เห็นในใจนั่นเองและสิ่งที่เขียนก็จะมีแรงขับให้เกิดภาพในใจคนอื่นตามไปด้วยขอเพียงจำหลักการทั้งสข้อนี้ได้ขึ้นใจไม่ว่าเรื่องยากแค่ไหนคุณทำให้ง่ายได้ดุดในช่างโยธาทำทางชันให้เป็นทางลาดเดินขึ้นสะดวกสำหรับคนข้างหลังแม้เขียนเพียงบรรทัดเดียวสั้น ก็ราวกับฉายภาพจริงให้คนอ่านดูกันสดๆเดี๋ยวนั้นดีกว่าอธิบายเป็นคุ้งเป็นแคลแล้วไม่เกิดภาพใดขึ้นในใจคนอ่านเอาเลยส่วนที่เหลือของบทนี้คือแม่บทของการเห็นคำตอบเป็นภาพเพื่อเขียนให้คนอ่านเห็นภาพตาม 1. ฝึกเปรียบเทียบกับตัวอย่างง่ายๆที่ทุกคนรู้อยู่แล้ว แม้คนเราจะแตกต่างกันสักแค่ไหนอย่างไรก็ต้องมีประสบการณ์ร่วมที่รู้เห็นมาตรงกันเช่นทุกคนเคยแช่น้ำเย็นเคยเห็นฟ้าใสแต่ไม่ใช่ทุกคนที่ผ่านประสบการณ์สมาธิชั้นดีได้เห็นจิตตนเองตั้งมัน่นเปิดกว้างอย่างใหญ่เมื่อฟังประสบการณ์ตรงของคนเคยผ่านสมาธิชั้นดีจึงฟังไม่รู้เรื่องเช่นคาว่าตั้งมัน่น อาจชวนให้นึกถึงการนั่งนิ่งขึงเกรงกำลังเหมือนแบ่งอุจจาระอย่างแน่วแน่และคำว่าเปิดกว้างอย่างใหญ่ก็อาจชวนให้นึกงงและสงสัยว่ามันจะเหมือนอะไรได้บ้างอาจไพล่ไปคิดถึงการอ้วนเป็นตุ่มขึ้นมาฉับพลันก็ได้ฉะนั้นก็เปรียบเข้ากับธรรมชาติที่เห็นง่ายเสนหน่อยเมื่อจะกล่าวถึงความตั้งมัน่นก็กล่าวเสริมว่าตั้งมั่นอยู่ในความเย็น เหมือนวันร้อนๆได้แช่น้ำอยู่นิ่งๆความร้อนของอากาศก็รบกวนเราไม่ได้และเมื่อจะกล่าวถึงลักษณะเปิดกว้างอย่างใหญ่ก็กล่าวเสริมว่าเปิดกว้างมันออกจากที่มืดอุดอู้สู่ที่โล่งแจ้งฉับพลันเงยหน้าขึ้นเห็นฟ้ากว้างสว่างใสและความสว่างใสนั้นก็ปรากฏต่อตาอย่างแจ่มชัดต่อเนื่องหาหมอกมัวหรือเมฆบังมิได้ ในบรรดาเรื่องยากจะอธิบายความรู้สึกและสภาพจิตใจของเราเองนี่แหละถือเป็นหนึ่งในที่สุดถ้าคุณอธิบายทุกความรู้สึกของตัวเองได้อย่างชัดเจนด้วยคำพูดง่ายๆแนวโน้มคือวันหนึ่งคุณจะสามารถเขียนธรรมะให้อ่านง่ายได้ยิ่งกว่าคนเลี่ยงการฝึกบรรยายความรู้สึกของตนต้องหมายเหตุไว้ด้วยว่าหากปราศจากประสบการณ์ตรง อย่างไรคุณก็คงไม่รู้อยู่ดีว่าจะเปรียบเทียบประสบการณ์ทางจิตแบบหนึ่งแบบหนึ่งเข้ากับสิ่งใดฉะนั้นก็ต้องกล่าวย้ำดังที่กิ่นแล้วข้างต้นว่าก่อนจะอธิบายเรื่องยากให้ฟังง่ายคุณต้องผ่านประสบการณ์ตรงรู้แจ้งเห็นจริงด้วยตนเองเช่นถ้าจะอธิบายเรื่องสภาวะของสมาธิคุณควรเข้าสมาธิได้เป็นปกติดุดเดียวกับที่คนทั่วไปแบมือออกอย่างง่ายได และอธิบายถูกว่าความรู้สึกในการแบรมือแตกต่างจากความรู้สึกในการกำมือเพียงใด 2. อาศัยแผนภาพช่วยถ้าคุณเป็นประเภทที่จินตภาพไม่อาจเกิดขณะคิดเขียนก็เอาเศษกระดาษมาวาดภาพสิเลยภาพชัดๆจะได้ปรากฏเป็นตัวตั้งช่วยประคองให้คุณคิดได้อย่างละเอียดโดยไม่หลงลืม อย่างเช่นจะเขียนถึงความรู้สึกทั้งหลายก็อาจเขียนคำว่าความรู้สึกแล้ววงไว้เหมือนเป็นวัตถุก้อนหนึ่งซึ่งเมื่อคิดคร่าวๆแล้วก็จะเห็นว่าความรู้สึกแบ่งได้เป็นสองพวกใหญ่ๆคือสุขและทุกข์จากนั้นถามใจตัวเองว่าเวลาสุขสภาพจิตใจเป็นอย่างไรมืดหรือสว่างกว้างหรือคับแคบเป็นต้น คิดให้ได้เยอะๆเมื่อได้ลักษณะของสุบอย่างใดมาก็เอาลักษณะตรงข้ามนั้นไปใส่ไว้ในทุกข์ด้วยจะเห็นเป็นคู่คู่การเขียนเป็นแผนภาพแบบนี้แม้จะคิดถึงคำใหม่ๆได้เท่าไรคำเก่าๆก็ยังคงอยู่กับที่ไม่ไปไหนแตกต่างจากตอนที่คิดเอาในหัวได้หน้าลืมหลังอย่างเช่นเมื่อคุณพินิจดูคำว่ากว้างขวางก็อาจนึกออกว่า จะแจกแจงเป็นรายละเอียดใดออกไปอีกได้บ้างหากคุณผ่านประสบการณ์ทางสมาธิหรือแม้เคยเออบอิ่มเบิกบานแรงแรงมาก่อน <c oughs> ก็จะนึกถึงคำอันเป็นคุณลักษณะได้เยอะแยะตั้งแต่ปลอดโปรง่งไม่มีสิ่งห่อหุ้มไปจนกระทั่งไม่ต้องเพ่งเลงหมายเหตุผู้อ่านอธิบายแผนภาพตามรูปในหนังสือเขียนคาว่าความรู้สึก ไว้ตรงกลางและ ว, วงกลมรอบคําว่าความรู้สึกขีดเส้นโยงซ้ายขวาแยกออกมาเป็นสุขทางด้านซ้ายทุก์ทางด้านขวาและ ว, วงกลมรอบตัวหนังสือขีดเส้นโยงออกมาจากคําว่าสุขเป็นสว่างโล่งและกว้างขวางและในคําว่ากว้างขวางขีดเส้นโยงออกมาอีกสามเส้นเป็นปลอดโปรง่งจิตไม่มีสิ่งห่อหุ้มไม่ต้องเพ่งเล็ง ในด้านวงกลมของคำว่าทุกข์ขีดเส้นโยงออกมาสองเส้นเป็นคำว่ามืดทึบและคับแคบด้วยการอาศัยแผนผ้าเป็นตัวตั้งคุณจะอธิบายย้อนหน้าย้อนหลังอย่างไรก็ได้เปรียบเทียบความสุขกับความทุกข์ให้เห็นเป็นดำเป็นขาวแจ่มแจ้งเพียงใดก็ไม่เกินวิสัยยกตัวอย่างเช่นเมื่อเริ่มหลับตาทาสมาธิฉันรู้สึกถึงความมืดทึบคับแคบ เราติดอยู่ก้นถำ้ำโดยมีก้อนหินใหญ่ทับอกอยู่ฉันอึดอัดและอยากค้นจากสภาพนั้นแต่ก็ทราบดีว่าความอยากนั่นเองจะเพิ่มน้ำหนักให้กับหินที่กำลังทับอกตัวเองสิ่งที่ฉั้นทำกับความอยากจึงไม่ใช่ตามใจมันแต่เป็นการรู้ทันมันและไม่เปิดโอกาสให้มันงอกเงยไปกว่านั้นหน้าที่ของฉันก็แค่ระลึกเป็นครั้งครั้งว่า ขณะนี้ร่างกายต้องการลมหายใจเข้าหรื อ, อยังขณะนี้ร่างกายต้องการลมหายใจออกหรื อ, อยังหรือขณะนี้ร่างกายต้องการพักลมหรื อ, อยังฉันไม่สนใจว่าลมจะสั้นหรือยาวฉันแค่สนใจว่าตัวเองรู้ไหมว่าขณะนั้นเป็นลมยาวหรือลมสั้นด้วยความสนใจเช่นนั้นในเวลาไม่นานฉันก็รู้สึกปลอดโปร่งขึ้นกว่าตอนแรก ในความปลอดโปรง่งฉันยังมีสติรู้อยู่ว่าเป็นแค่ภาวะหนึ่งที่ปรากฏจริงแล้วก็หายไปได้จริงๆฉันกลับไปสู่ความอึดอัดใหม่แต่แล้วด้วยอาการระลึกถึงลมหายใจแบบเดิมในที่สุดก็กลายมาเป็นปลอดโปร่งอีกเห็นชัดเลยว่าภาวะทางใจเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้อย่างนี้เมื่อจิตไม่ยึดว่าจะต้องปอโปร่งเสมอ ยอมรับความทึบได้โดยไม่หลงวนอยู่ในความทึบในที่สุดก็ถึงจุดหนึ่งจิตฉันเหมือนเปิดกว้างกว่าเคยกว้างโล่งอย่างไม่เคยเป็นคล้ายออกไปสู่สภาพไร้สิ่งห่อหุ้มเกิดความตั้งมั่นอยู่เช่นนั้นครู่ใหญ่ทุกอย่างปรากฏชัดพอที่จะให้รู้ว่าในสภาพเช่นนั้นฉันไม่จําเป็นต้องเพ่งแรงสิ่งใดเลยก็แค่ตั้งอยู่ในอาการรู้เท่าที่จะรู้ได้ มีลมหายใจออกก็รู้มีลมหายใจเข้าก็รู้ไม่มีลมชั่วคราวก็รู้ 3. ทํทำแบบฝึกหัดยากๆมองไปรอบๆแล้วถามตัวเองว่ามีสิ่งใดยากจะอธิบายบ้างคุณจะพบว่าทุกเรื่องในโลกอธิบายยากไปหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าคุณไม่อาจมีจินตภาพเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องการอธิบายชัดเจนพอขอให้นึกถึงเรื่องที่คุณเคยต้องเกริ่นกับคนอื่นว่าไม่รู้จะอธิบายอย่างไรหรือพูดไม่ถูกไม่ทราบจะเริ่มต้นจากตรงไหนดีเช่นความรู้สึกที่มีต่อใครสักคนแม้จะยังไม่ทันรู้จักมักจีแต่ก็รู้สึกครึ่งๆึ่งเสียแล้วคือทั้งอยากพูดด้วยและไม่อยากพูดด้วย หรืออาจนึกชอบระควชิงชังไปเลยเหมือนมีคำอธิบายอยู่ในใจแต่คุณขี้เกียจเค้นออกมาเป็นคำพูดแบบฝึกหัดนี้จะช่วยให้คุณเลิกขี้เกียจได้เสียทีอันดับแรกแทนการนึกถึงถ้อยคำเช่นบอกไม่ถูกว่ารู้สึกยังไงกับอิตาเนี่ยขอให้ตัดคำว่าบอกไม่ถูกทิ้งไปเป็นอันดับแรกเหลือแค่ ความรู้สึกที่มีให้กับอีตาเนี่ยเขียนใส่กระดาษแล้ววงกลมล้อมกรอบไว้ถึงตรงเนี้ยคุณได้แก่นของสิ่งที่ต้องการอธิบายแล้วจากนั้นให้แตกออกไปเป็นสองขั้วเป็นชอบและชังห้ามเขียนเฉพาะฝ่ายชอบหรือฝ่ายชังไม่ว่าคุณจะตัดสินว่าหนักไปทางชอบหรือชังขอให้ใส่เข้าไปทั้งคู่ จากนั้นก็ค่อยๆใส่รายละเอียดของความชอบและความชังเข้าไปทีละเรื่องคุณจะค่อยๆนึกอย่างน่าแปลกใจเช่นฝ่ายชอบอาจประกอบด้วยคุณสมบัติคือเนื้อตัวสะอาดและพูดจาสุภาพและฝ่ายไม่ชอบอาจประกอบด้วยคุณสมบัติคือหน้าตาเจ้าเล่ห์และจริงจังจนหน้าอึดอัดคุณจะค่อยๆเห็นความขัดแย้งทางความรู้สึกของตัวเอง และพบว่าไม่มีใครเลยที่คุณมองเขาในด้านลบหรือด้านบวกอย่างเดียวแต่คุณจะฝังใจกับความรู้สึกที่เด่นชัดเสมอเมื่อฝังใจกับความรู้สึกใดความรู้สึกที่เหลือจะถูกกลบทับไว้ต่อเมื่อคุณหัดแจกแจงความรู้สึกออกมาเป็นแผนภาพก็จะมีคำอธิบายชัดเจนตลอดสายชวนให้เกิดความเข้าใจทั้งกับตนเองและผู้อื่น ความต่างกันของนักเขียนอยู่ที่การฝึกสื่อสารให้เข้าใจง่ายมีลำดับจากต้นชนปลายไม่วกวนทักษะของการสื่อสารตามลำดับไม่ใช่สิ่งที่ใครจะสอนคุณได้ทั้งหมดคู่มือนักเขียนทั้งหลายเป็นเพียงตัวช่วยแนะแนวการเรียนรู้ที่แท้จริงจะเกิดขึ้นในระยะยาวเมื่อคุณลงนั่งเขียนมากขึ้นและขยันทบทวนสังเกตสังกางานเขียนของตนเองว่าอ่านแล้วเกิดผลอย่างไรบ้าง ยังมีอีกหลักการที่น่าแนะนำเป็นการทิ้งท้ายสำหรับบทนี้ครับนั่นคือให้คิดว่าทุกคนโง่เหมือนกันหมดรวมทั้งตัวคุณเองด้วยอย่านึกว่าตัวเองฉลาดแล้วก็อยากลัวว่าคนอื่นจะฉลาดขนาดเห็นคุณอธิบายง่ายง่ายแล้วเหมือนเอามะพร้าวห้าวมาขายเจ้าของสวนอย่างเขาแต่ละคนเข้าใจเร็วช้าต่างกันก็จริงเทว่าก็เริ่มมาจากจุดเดียวกันคือ ความไม่รู้อะไรเลยไม่เข้าใจอะไรเลยขอให้คิดอย่างเนี้ยและวิธีอธิบายของคุณจะละเอียดละออไปเองครับบทความจากธรรมะใกล้ตัวฉบับที่สิบสองอ่านโดยนอนุรสร์ตรีโสภาทัั้งงชีวิตถุไไไปึนยนลส แม้ยังไม่มีอนทางทำทุกอย่างให้ดีสุดแรงใจเาอจะล้มน้ำตาแค่เพียงบดเรียนจะก้าวไปถึงจะแทน